จลากกอนท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่มใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกานวันนี้เป็นวันเสาที่15มิถุนายนพุทธศักราชสองพนห้าร้อยห้าสิบหกเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศล เพื่อมาดับความทุกข์สร้างความสุขให้แก่จิตใจโดยวันนี้มีญาติพี่น้องมาจากหลายที่ด้วยกันมีคณะหนึ่งเป็นข้าราชการที่จะต้องเกษียณอายุในปีนี้จึงอยากจะได้รับฟังธรรมเกี่ยวกับการเกษียณอายุก็ ก็เป็นธรรมที่ต้องทุกคนต้องรับฟังกันไม่ว่าจ ะ, กะเกษียณอายุหรือไม่ก็ตามธรรมที่เราต้องฟังที่ต้องคอยสอนใจเราอยู่เสมอว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อม ม, รร ม, อมีการพลดพราด จากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบไปเป็นธรรมดาเพราะนี่คือกฎของโลกนี้เป็นกติกาของโลกนี้ถ้าใครมาเกิดก็ต้องรับกฎรับกติกาคือความไม่เที่ยมนั่นเองโลกนี้เป็นโลกของอนิจจงก็คือมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปหมดไป โลกนี้ไม่ใช่ของผู้ที่มาอยู่อาศัยอย่างพวกเราพวกเราเพียงแต่มาอาศัยอยู่ชั่วคราวพอร่างกายหมดสภาพเราก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่แต่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่ได้สูญเสียสิ่งต่างๆไป อ, อ้อเศษต่างๆไม่ได้เป็นของเรา มาตั้งแต่ดั้มเดิมคือตั้งแต่เรามาเกิดเวลาเรามาเราก็มาตัวปเปล่าเล่าเราไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลยมาแต่ใจที่ยังมีความอยากใจที่ยังต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ก็เลยมารับร่างกายที่พ่อแม่สร้างให้ แล้วพอเรามีร่างกายแนละ้วเราก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาสิ่งต่างๆหาลาบหายุดหาสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกร่างกายเราก็หาไปเรื่อยๆส่วนร่างกายก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วในวันหนึ่งร่างกาย ก็ต้องหยุดทำงานพอร่างกายหยุดทำงานเราก็ไม่มีเครื่องมือที่จะหาราบยศสัรเสริญหาความสุขต่างๆเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ก่อนที่เราจะไปได้ร่างกายอันใหม่เราก็อาจจะต้องแวะไปใช้กรรมใช้บาปที่เราทำไว้หรือไปรับนงวัน ไปรับผลบุญที่เราได้ทำเอาไว้ขึ้นอยู่ว่าเราทำบุญกับบาปมากน้อยเพียงไยเช่นเวลาตอนที่เราตายไปบาปกับบุญก็จะมาคิดบัญชีกันมาทดสอบพลังกันว่าใครมีพลังมากกว่ากันถ้าบาปมีพลังมากกว่า ก็จะดึงใจให้เราไปรับใช้กัรก็คือให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเกิดเป็นเปรตไปตกนรกแต่ถ้า <c oughs> บุญมีกำลังมากกว่าบุญก็จะดึงให้ร่างกายเราไปสวรรค์ให้ดึงใจของเราไปสวรรค์ให้ไปรับรางวัลการไปสวรรค์ก็เป็นเหมือนกับการไปท่องเที่ยว ตามสถานที่ต่างๆสถานที่ใจของเราไปท่องเที่ยวก็คือโลกทิพนี่โลกทิพก็คือโลกสวรรค์หลังจากที่เราเที่ยวจนหมดบุญแล้วเหมือนกับเรามาเที่ยวกันวันนี้พอเงินหมดเราก็ต้องกลับบ้านกันเพราะไม่มีเงินใช้ฉันใดเราไปท่องเที่ยวในสวรรค์ พอเงินหมดแล้วบุญหมดแล้วเราก็ต้องกลับมาบ้านใหม่ของเราบ้านใหม่ของเราก็คือมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็มาหาสิ่งต่างๆอย่างที่เราหากันอยู่ทุกวันนี้เราทำอย่างนี้มานับไม่ถ้วนแล้วร่างกายที่เราได้รับมา น, นี้พระพุทธเจ้าบอกว่านับไม่ถ้วน ถ้าอยากจะรู้ว่ามีร่างกายได้ร่างกายมากี่ร่างก็ให้นึกถึงเวลาที่เราร้องห้าร้องห่มร้องไห้แล้วเราสะสมน้ําตาที่เราร้องห่มร้องไห้ในแต่ละพบแต่ละชาตินี้พระพุทธเจ้าบอกว่าน้ําตาของเรานี้มันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรซีคิดดูก็แล้วกั น, กนว่าต้องกลับมาเกิด กีครั้งด้วยกันถึงจะหลงน้ำตาได้เท่ากับน้ำในมาหาสมุทรนี่คือชีวิตของเราเป็นอย่างนี้และจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราจะมีแสงสว่างนำทาง พาให้เรายุติการเวียนว่าตายเกิดได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีแสงสว่างคือไม่มีคนบอกเราให้รู้จากทางเดินที่จะพาให้เราไปสู่บ้านที่ถาวรบ้านที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันเสือ่อมตอนนี้เรายังไม่พบบ้านหลังนี้ บ้านที่เราพบคือร่างกายนี้เป็นบ้านชั่วคราวเรากำลังเดินวนอยู่รอบวงเวียนแห่งการเวียนว่ายตายเกิด อ, อยู่เพราะเราไม่รู้จักทางที่จะพาเราไปสู่บ้านที่ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้า หรือพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีใครสอนใครบอกให้เรารู้แต่ถ้ามาได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราก็จะมีคนบอกมีแผนที่มีแสงสวา่างนำพาให้เราได้ไปสู่บ้านของเราที่ถาวรที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไป นี่คือเรื่องของพวกเราพวกเราตอนนี้มีทางเลือกแล้วเมื่อก่อนนี้เราไม่มีทางเลือกเมื่อก่อนนี้เราไปตามทางของความโลกของความอยากของเราเราอยากได้อะไรเราก็ไปหามันอยากได้ลาบก็ไปหาลาบอยากได้ยศก็หายศอยากได้สรรเสริญก็หาสรรเสริญ อยากได้ความสุขจากสิ่งต่างๆเราก็ไปหาสิ่งต่างๆมาแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราหามานี่มันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆเช่นความสุขที่เราได้รับจากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เวลาเราไปเที่ยวเราก็มีความสุขกันพอเรากลับบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็จางหายไปไม่นานเราก็ต้องออกไปเที่ยวอีกเราไปเที่ยวกันหลายรอบหลายโหดแล้วน่าจะต้องเที่ยวอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราหาใน มันไม่ได้ให้ความสุขที่ถาวรไม่ได้ให้ความอิ่มความพอ <c oughs> มีความสุขที่พระเจ้าได้ทรงพบนี้เท่านั้นที่จะให้ความอิ่มความพอแก่เราคือบ้านที่ถาวรของเรานี้เองถ้าเราถึงบ้านที่ถาวรนี้แล้วเราจะไม่อยากออกจากบ้านไปไหนอีกต่อไปเพราะว่าของที่เรามีอยู่ในบ้าน มันวิเศษกว่าของที่เราจะได้จากนอกบ้านนั่นเองเมื่อเรามีของดีอยู่ในบ้านแล้วดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ข้างนอกบ้านเราก็จะไม่ออกไปหามันอีกต่อไปวิธีที่เราจะเดินทางไปถึงบ้านของเราได้นี้ก็มีอยู่สามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งก็คือทําบุญ ขั้นตอนที่สองก็คือละบาปขั้นตอนที่สาก็คือหยุดความอยากต่างเวลามีความอยากอยากไปทำตามความอยากถ้าเราไม่ทำตามความอยากได้ต่อไปความอยากก็จะหมดกําลังพอหมดกําลังเราก็จะถึงบ้านที่เราต้องการไปกันตอนนี้ความอยากดึงเราให้ไปเวียนอยู่กับ วัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดวัตตะสงสารแต่ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้คือทำลลบุละบาปหยุดความอยากต่างๆได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดติดต่อไปนี่คือความวิเศษของพระพุทธศาสนา ไม่มีศาสนาใดในโลกนี้ที่จะรู้จากทางนี้ได้เพราะต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้เท่านั้นและผู้ที่จะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ไม่ใช่จะเป็นสิ่งที่ง่ายไดนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้สักครั้งหนึ่งมาพบทางที่จะพาให้เรา กลับไปถึงบ้านของเราบ้านที่ถาวรบ้านที่มีความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปบ้านที่จะให้ความอิ่มความพอไปกับเราไปตลอดดังนั้นถ้าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดอยากจะได้ไปถึงบ้านอันประเสริฐอันเลิศ ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันเราก็ต้องเดินตามรอยพระพุทธบาทลอยเดินตามวิถีทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาพระพุทธเจ้าทรงทําบุญด้วยการส ล, สส ล, ละสมบัติสละราชสมบัติแล้วก็ออกบวช ออกบวชเพื่อมาราักบ า, า, ากมารักษาศีลแล้วก็มาหยุดความอยากด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่คือทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินและทางของพระสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติตาม ภาษาวกทั้งหลายก็ปฏิบัติเหมือนกันออกสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสละสานีสะละภรรยาสละบุตรทีดาแล้วก็ออกบวชกันออกไปรักษาสิง์ไปบำเพ็ญจิตตภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็เจริญปัญญาให้เห็นว่า ต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายก็คือความอยากและวิธีที่จะหยุดความอยากก็ต้องเห็นว่าไม่มีอะไรนี้ในโลกนี้น่าอยากได้เพราะว่าของทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงได้มาแล้วจะต้องเสียใจทีหลังได้แฟนมาแล้วเวลาแฟนจากไปก็เสียใจได้สมบัติมาแล้ว เวลาสมบัติหมดไปก็จะเสียใจแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียใจเราสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีสมบัติไม่ต้องมีข้าวของเงินทองต่างๆขอให้เราทาใจให้สงบให้ได้เท่านั้นถ้าใจของเราสงบแล้ว ใจของเราจะมีความอิ่มมีความพอจะไม่หิวไม่อยากได้อะไรนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่มีกันเราไม่มีความสงบใจของเรายัางฟุ้งซ่านยางกระเสือกกระสนยังลิ่นรนอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่อยากได้ลาบยศสรรเสริมอยากได้ความสุข ทางตาหูจมูกนิ้วกายอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยแล้วก็อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากเหล่านี้แหละที่ทำให้พวกใจของเราต้องดิน้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์ไม่ใช่สุขแทนที่จะสุขกับทุกข์เพิ่มมากขึ้นวิธีที่จะทำให้เราสุขเราต้องหยุดดิน้น เราต้องหยุดอยากหยุดหาเงินหาทองหยุดใช้เงินใช้ทองเพื่อเราจะได้ออกบวชได้ถ้าเราไม่ใช้เงินใช้ทองเราก็ไม่ต้องหาเงินหาทองถ้าเราไม่หาเงินหาทองเราก็ออกบวชได้เพราะว่าเวลาบวชก็จะมีคนเขาดูแลเราเองมีคนเขามีความพอใจ มีศรัทธาที่จะเลี้ยงดูเราอย่างพระในพระพุทธศาสนานี้มีญาติโยมคอยดูแลอย่างดีมาโดยตลอดสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วไม่เคยปรากฏว่ามีพระอดตายเลยดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเวลาบวชแล้วจะไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรอยู่จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายจะมีเวลามา สร้างความสงบให้กับใจมาหยุดความอยากต่างๆภายในใจให้หมดไปพอใจเราไม่มีความอยากแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเราได้ถึงบ้านอันประเสริฐของเราแล้วบ้านที่มีความสุขที่ยิ่งใหญ่คือปรมังสุขขังนี้นิบานังปรมังสุขขัง นิพพานนี่แหละคือบ้านที่แท้จริงของพวกเราบ้านที่จะไม่ต้องมาเปลี่ยนบ้านใหม่อยู่เรื่อยๆ เ, เหมือนกับร่างกายที่เราใช้เป็นบ้านของเราอยู่ในตอนนี้เดี๋ยวอีกไม่นานร่างกายของเรนี้ก็จะต้องพังไปร่างกายจะต้องกลายเป็นซากศพไปใจญของเราก็ต้องไปหาบ้านใหม่ต่อไป ก อ, อนจะไปหาบ้านใหม่ถ้าทำบาปมากกว่าบุญก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายก่อนไปตกนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นเดรัจฉานบ้างจนกว่าจะใช้กรรมหมดถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าบาปมากกว่าบุญก็จะไปเกิดในสวรรค์ไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ไปดู รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์แล้วค่อยกลับมาเกิดใหม่แต่ถ้าหยุดความอยากได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ก็จะไปอยู่ในโลกทิพย์บ้านทิพย์คือพระนิพพานที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปนี่คือสิ่งที่พวกเรามีโอกาสได้มีทางเลือกแล้ว เมื่อก่อนนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีรู้จะไม่รู้จักทางนี้เราจะรู้จักทางหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราต้องมาทุกข์กับการ พ, พาดผ้าจากคนนั้นคนนี้ไปสิ่งนั้นสิ่งนี้ไป แล้วก็ต้องไปใช้บาปใช้กันถ้าการอยู่ของเราในโลกนี้อยู่ด้วยการทำบาปเช่นหาลาบยศสารเสริญด้วยการทำบาปเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงเสพสุรายาเมาเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรเล่นการพนันมีความเกียดคราน การกระทำเหล่านี้จะพาให้เราไปเกิดในอบายไปใช้กรรมในอบายและเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนามีรูปร่างหน้ า, นาตาไม่สวยงามมีอายุไม่ยืนยาวนาน ม, มีอาการไม่ครบส2มสสองมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีความยากจนลำบากลำบน เพราะว่านี่เป็นอานิสง์ของการทำบาปแต่ถ้าเราทำบุญตายไปเราก็จะไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ไปเที่ยวในสวรรค์พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีวาสนาบารมีมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณผ่ผองใสรูปร่างสวยงามหน้าตาสวยงาม มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมีอาการครบส2มสองมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวนานนี่เป็นอนิสง์ของการทำบุญถ้าเราออกบวชได้แล้วเราปฏิบัติทมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาได้ยุติการเวียนว่าเราก็จะยุติความอยากต่างๆได้ หยุดความอยากเช่นอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรืออยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีหน้ามีตาอยากให้คนเคารพเคารพนับถือหรือหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมีร่างกายใหม่ นี่แหละคือทางที่พระพุทธเจ้าได้ดำเนินไปแล้วทรงมาเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราคนที่มีศรัทธาพอน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถบรรลุ ถ, ถึงบ้านอนประเสริฐนี้ได้บุคคลเหล่านั้นเราเรียกว่าพระอรหันตสาวกเป็นสังฆารัตรนะเป็นที่พึ่งของเราต่อจากพระพุทธเจ้า เพราะหลังจากที่พระเจ้าทรงเสด็จดับขันบรลนิาพานไปแล้วก็ต้องมีพระอาหารหันตสาวกมาทำหน้าที่นำทางพวกเราต่อไปพวกเราทุกวันนี้มีโชคมีบุญมีวาสนาที่ยังมีพระอาหารหันตสาวกมานำทางพวกเราอยู่พวกเราจึงไม่ควรปล่อยโอกาส อันดีอันเลิศนี้ให้ผ่านไปโดยไม่ตักตวงประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับด้วยการหมั่นทำบุญให้มากๆหมั่นละบาปให้มากๆหมั่นปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาให้มากๆเพื่อเราจะได้เห็นโทษของความหยากเพื่อเราจะได้เห็นว่าสิ่งต่างๆ ที่เราอยากได้นี้มันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์เพราะได้มาแล้วต้องเสียไปในที่สุดเวลาเสียไปจะเล่าจะเศร้าโศกเสียใจร้องหงร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับบางครั้งถ้าเสียไปมากๆ ก, ก็ถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายแต่ถ้าเราพยายามศึกษาสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่า ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสมบัติชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากเขาไปหรือเขาก็จะต้องจากเราไปถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วงหน้าก่อนไม่ยึดไม่ติดพร้อมที่จะให้เขาจากเราไปพร้อมที่จะจากเขาไปเวลาที่เราต้องจากกัน เราจะจากอย่างมีความสุขเราจะไม่ทุกข์เลยเราจะรู้สึกว่าดีแล้วอยู่ด้วยกันก็ทุกข์ไปเปล่าๆแยกกันได้ดีแล้วเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเราได้เวลาอยู่ด้วยกันก็บางครั้งก็ต้องทะเลาะกันโกรธกันเกลียดกั น, กกนหรือเวลาที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเป็นภาระ ที่เราจะต้องคอยดูแลรักษาเขาแต่ถ้าเขาตายไปได้เราก็จะได้หุดภาระไปแทนที่จะเศร้าโศกเสียใจเรากับจะมีความสุขใจเช่นเดียวกับร่างกายของเราเวลามันแก่มันเจ็บเราก็ต้องคอยดูแลเลี้ยงดูมันเป็นภาระกับเราเป็นทุกข์กับเราพอร่างกายมันตายไปแล้วเราก็จะได้สบาย พอไม่ต้องเลี้ยงดูมันไม่ต้องมาเจ็บไข้ได้ป่วยไปกับมันถ้าเรามีความรู้ที่คอยสอนใจว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเรามันเป็นเหมือนคนไข้เป็นเหมือนน้องเราเป็นพี่ใจเป็นพี่ร่างกายเป็นน้องใจต้องคอยดูแลเลี้ยงดูร่างกายไปพอไม่มีร่างกายต้องเลี้ยงดูแล้วก็สก็สบาย คนที่รู้ความจริงเวลาตายจึงไม่ทุกข์อย่างพระพุทธเจ้าเวลาร่างกายท่านตายไปท่านไม่ทุกข์กับมันเลยท่านกลับเบา อ, อกเบาใจเหมือนกับยกภูเขาออกจาก อ, อกไม่ต้องมาคอยเลี้ยงดูร่างกายนี้ต่อไปเช่นเดียวกับร่างกายของคนอื่นเวลาเขาอยู่ถ้าเขาช่วยตัวเขาเองไม่ได้มันก็ต้องเป็นภาระของเรา ที่จะต้องเรียงดูเขาต้องให้น้ําให้ข้าวต้องให้อยู่ให้ยาต้องอาบน้ำอาบท่าให้อยู่เรื่อยๆพอเขาตายไปแล้วก็หมดภาระไปแทนที่จะมาล้องห่มล่องห้ากับสบายใจนี่คือคนฉลาดจะเป็นอย่างนี้แต่คนโง่เวลาคนตายไปกับมาล้องห่มล่องห้างอยากจะมาแบกภาระ อยากจะมาอุ้มเขาต่อไปอีกอย่างนี้เรียกว่าฉลาดในงโง่คนฉลาดจะบอกว่าดีแล้วหมดแล้วหมดเวลงหมดกรรมกันเสียทีอยู่ไปก็เท่านั้นอยู่ไปก็มีแต่แบกกองทุกข์ไปเรื่อยๆชีวิตของพวกเรานี้หาความสุขได้น้อยมากมีความทุกข์อยู่แทบทุกวันนานๆจะสุขสักครั้งหนึ่ง เช่นตอนนี้มีความสุขกันพ่อได้มาเที่ยวกันเดี๋ยวพองกลับไปบ้านก็ต้องไปทํามาหากินก็ต้องไปทุกขกับการทำนาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเอะต่อไปนี่แหละคือชีวิตของพวกเราเป็นอย่างนี้ตายไปน่ะสบายกว่าอยู่ถ้ามีปัญญาจะไม่ทุกกับการตายเลยดังนั้นขอให้เราพยายามศึกษาฟังเทศฟังธรรม ของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยใจของเราจะได้ฉลาจะได้หยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้แล้วก็จะมีแต่ความสบายเวลาสูญเสียอะไรไปแทนที่จะเสียใจกับดีใจเพราะจะได้ไม่ต้องมาคอยดูแลรักษาอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่าศาสนาพทธมอบให้กับพวกเรา ขอให้พวกเราน้อมนำเอาไปปฏิบัติเถิแล้วชีวิตของเราจิตใจของเราจะมีความสุขมากขึ้นจะมีความทุกข์น้อยลงไปตามลำดับจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาถ้าท่านทั้งหลายมันทำบุญอยู่เรื่อยๆมันละบาปอยู่เรื่อยๆมันหยุดความอยากอยู่เรื่อยๆแล้ว ท่านก็จะได้ไปถึงที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่าดีขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบัเนเทิงกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย